ในหลวงของเราองค์ปัจจุบันตอนที่ท่านบวชนะพระอุปชาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนะชื่อว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากมรมหลวงวัชริรยานดวงก็เรียกว่ามีทานันฐานันดอนที่สูงมากนะสมณศักดิ์ก็เรียกว่าสูงที่สุดแต่ว่าท่าน เป็นพระเถระที่เป็นกันเองมากนะท่านสนิทคุ้นเคยกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทนะพวกเราคงจะรู้จักก็มีเรื่องเล่านะเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมาสักหกสิบเจ็ดสิบปีมาแล้วนะวันหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทก็ไปที่ตำหนักของสมเด็จนะไปถึงนั้นก็เย็นแล้ว ก็พอดีกับที่สมเด็จพระสังฆราชเพิ่งเสด็จกลับมาจากหัวหินยังไม่ทันพักเท่าไหรเลยสมเด็จพระสังฆ์มรราชมคือลวงประโมนเนี่ยเห็นต้นไม้ต้นเล็กเล็กต้นหนึ่งอยู่ในกระป๋องนมต้นเล็กเล็กแค่คืบเองมั้ง ส่วนในภาษาังกฤษก็บอกเนี่ยต้นเนี้ยสมพานที่หัวหินให้มาหลวงพ่อชลึกฤกกก็พูดว่าเนี่ยโหนี่ต้นพยามช่นะสมเด็จรู้หรือเปล่า ว, ว่าต้นนี้เนี่ยมันต้องสี่สิห้าสปลูกไปห้าสอายุต้องห้าสี่สิห้าสิปีนะมันถึงจะออกดอกอะสมเด็จ แก่ป่านนี้แล้วเนี่ยสมเด็จแก่จะตายไม่ตายแหละแล้วนี่จะได้ทันเห็นดอกมันเลยนะที่พูดกับสังฆราชนะสมเด็จจะสมเด็จแก่ป่านนี้จะตายไม่ตายแหละแล้วเนี่ยจะได้ทันเห็นดอกนี่เหรอต้องห้าิปีนะกว่าจะได้เห็นดอกอสมเด็จพระสังฆราชฟังท่งก็บอกว่าต้นอะไรนะต้นพยอมกี่ปีนะพถึงจะออกดอกห้าสิปีนะหมอม ร, รับชมเครึ่งริบเร้าเมื่ก็ย้ำ พอท่านได้รับคำยืนยันอย่างนี้นะสมเด็จ ก, ก็ไปเรียกวิทยวจกรมาเลยตะโกนเรียกเลยนะให้รีบมาไวๆมาทําอะไรรีบเอาต้นนี้ไปปลูกซะนะท่านบอกว่าเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่คือหมอ่อมพระชงคือิบราโมนไอ้นี่มันบอกว่าอีกห้าสิบปีถึงจะได้เห็นดอกนะต้องรีบไปปลูกเลยนะอย่าให้เสียเวลาจะประมาทไม่ได้เลยนะ ปกติคนเรานี่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยต้นไม้ต้นหนึ่งกว่าจะออกดอกออกผลห้าสิบปีเราคงจะไม่กระตือหรือล้นเท่าไหร่นะก็อาจจะรอไปพรุ่งนี้มะลือนี่หรือรอไปปลูกโน่นเดือนหน้าก็ได้เพราะมันต้องห้าสิบปีนะกว่าจะเห็นผลแต่สมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ท่านกับคิดอีกแบบหนึ่งท่านบอกว่ายิ่งมันให้ผลช้ายิ่งต้องรีบทา นะยิ่งออกดอกช้านะก็ต้องรีบปลูกเสร็แต่เดี๋ยวนี้เลยจะเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรที่ให้ผลช้านะถ้าเรารีบปลูกมันก็จะให้ผลเร็วขึ้นนะตอต้นไม้ที่พวกเราไปปลูกนี่นะก็คงไม่ถึงห้าสิบปีนะอสิบปีนี่ก็โตท่วมหัวละถ้าไม่มีไฟไม่มีอะไรมารบกวนนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยน ะ, ะถ้าเรารีบพากันปลูกนะนะตั้งแต่วันนี้นะก็จะได้เห็นผลเร็วขึ้น ส, สิ่งที่สมเด็จพระสังฆราชนี่ท่านท่านพูดนี่เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยอะไรที่ให้ผลช้านะยาผัดผ่อต้องรีบทำอย่างเช่น การทำสมาธิการปฏิบัติธรรมหรือว่าการออกกําลังกายนะออกกําลังกายนี่กว่ามันจะให้ผลนะคือทำให้สุขภาพแข็งแรงก็บางทีก็5ปี10ปีบางทีมาเห็นผลนี่ก็โน่นอีกตอนแก่แก่ก็มีนะเช่นหัวใจยังแข็งแรงอยู่เพราะออกกําลังกายหลายคนบอกว่า อ, ออกกําลังกายนี่กว่ามาให้ผลนี่อีกนาน เพราะฉะนั้นก็เอาไว้วันหลังก็แล้วกันนะฉันทำอย่างอื่นก่อนที่มันให้ผลเร็วเล่นเ c e บุ o กก่อนดูหนังก่อนดูโทรทัศน์ก่อนนะแชทก่อนไลน์ก่อนนะการทำสมาธิก็เ่เป็นกันนะกว่าใจะให้ผลทำให้จิตใจเราสงบเยือกเย็นทำให้ใจเราเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนหลายคนก็บอกว่าโอ้ กว่าจะให้ผลนี่มันนานเพราะฉะนั้นเอาไว้วันหลังเอาไว้ทีหลังอาการคิดอย่างนี้เรียกว่าประมาทมากพระสังฆราชนบอกว่านี่นะต้องรีบทมเดี๋ยวนี้เลยนะอย่าให้ เ, เรียกว่าจะประมาทไม่ได้ท่านใช้คำประมาทไม่ไดนะ้การที่เราปล่อยเวลาให้เนิ่นนานพานเลยไปเนี่ยเพียงเพราะเห็นว่ากว่าจะให้ผลก็นานเนี่ยเรียกเป็นความประมาท อีกแง่หนึ่งนะที่ท่านนะ่พิจารณาคือว่านะใ้ต้นพยามเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชก็คงจะไม่ทันได้เห็นดอกกันนะเพราะว่าตอนนั้นท่านก็พระชนก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั้งแต่ว่าพระองค์ก็ให้รีบ ป, ปลูกทันทีไม่ใช่เพื่อตัวเองจะได้เห็นนะแต่ว่าเพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้เห็นจะได้ชื่นชม เพราะผมก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการปลูกนะคนเรานี่บางทีจะทำอะไรก็ไม่ใช่ทำเพราะว่าตัวเองได้ประโยชน์นะแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลังอย่างพวกเราที่มาปลูกป่าวันนี้เนี่ยนะเราก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากป่าที่เราปลูกเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไกลนะกว่าเราจะเดินทางมาถึงนี่แล้วก็ต่อไปผูลงนี่ก็หกเจ็ดชั่วโมง อาจจะไม่ได้เห็นผลงานของสิ่งที่เราทำถ้าหากว่าเราไม่ได้กลับมานะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันก็น่าปลูกนะเราจะได้เห็นผลหรือไม่ไม่สำคัญแต่ว่าทำแล้วมันมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อปา่ามีประโยชน์ต่อสิงสารสาัตว์มีประโยชน์ต่อชาวบ้านที่อยู่รอบแล้วก็มีประโยชน์ต่อโลกนะอันนี้ก็เป็นเหตุผลสมควรแล้วนะที่เรา มาปลูกป่าบางคนบอกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรจะมาปลูกทำไมนะความคิดแบบนี้เรียกว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเรียกว่าอัตตาธิพไตนะอัตตาธิพไตคือการจะทำอะไรก็เอาประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งนะถ้าตัวเองไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ทำคำพูดอันหนึ่งที่เดี๋ยวนี้เราได้ยินบ่อยนะ ก็คือคาพูดที่ว่าทาแล้วฉันจะได้อะไรทำแล้วฉันจะได้อะไรแน่อนอนนะถ้าพวกเราถามแบบนี้เนี่ยพวกเราคงจะไม่มาถึงนี่นะแล้วคงจะไม่ปลูกป่าในวันนี้นะแต่เราไม่ได้ถามแบบนี้นะเราจะถามว่าทำแล้วสังคมจะได้อะไรทำแล้วโลกจะได้อะไรนะเมื่อเรารู้ว่าเออปลูกป่าแล้วนี่มันทำให้ป่าเขียวขจี ทำให้โลกมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นหรือว่าเราอาจจะนึกไปไม่ถึงโลกนะนึกถึงประเทศนะก็ช่วยทำให้ประเทศมันมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นเราก็เลยมาอันนี้เรียกว่าเรามีาเราไม่ได้มาด้วยอัตตาธิปไตยนะอาจจะมาด้วยธรรมะทิปไตยนะธรรมะธิปไตยคือการเอาธรรมะเป็นใหญ่อะไรที่ดีงามเราก็ทำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ประโยชน์นะ การปลูกป่านี่ก็เหมือนกันนะมันพอเรามาปลูกที่นี่เราอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่หรืออาจจะได้ก็น้อยก็คือว่าออกซิเจนเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นมีการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ามากขึ้นก็ทําให้โลกมันร้อนน้อยลงแต่ร้อนน้อยลงมันน้อยมากนะกับการปลูกป่าเพียงเท่านี้นะแต่ว่า เรามุ่งประโยชน์ของส่วนรวมไปที่ตั้งเราก็มานะเรียกว่าสปิรตหรือว่าเจตนารวมแบบนี้นีนะ่เป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังมากๆทั้งในใจเราแล้วก็ในใจของลูกหลานเราเพราะมัช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่นะทำให้ธรรมชาติงดงามเขียวขจีน ะ, ะแล้วก็เตรียมรับพร